ความไม่รู้ขึ้นมานี่แต่พอเรามาเจริญสติเจริญสติจนกายเป็นสมัมมัชญยะทำให้เกิดปัญญาเห็นว่าความรู้สึกกายนั้นสามารถแก้ไขได้บาบัดได้แล้วเราเพียรพยายามแก้ไขบาบัดความรู้สึกทางกายอยู่เสมอเสมอ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 สมตต ม, สมติเรื่องนั้นขึ้นมาสมมติเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยคิดเรื่องนั้นขึ้นมาคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเรารวมทั้งหมดว่ามันเป็นเรื่องสมมุติมันไม่ใช่เราอ่ <wash? S 1> <Art. S 1> แล้วก็ส่วนที่เป็นความรู้สึกในฝ่ายกุศลอ่นนะเ <stretched S 2> ช, นช่นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญ า, ปญญาเป็นความรู้สึกที่เป็นกุศลทั้งหลายเนี่ยเราเรียกว่าปรมัติอ่ะมันจะมีคำสองคานี้ขึ้นมา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 เพราะฉะนั้นคนที่อ่อนแอก็ทำได้คนที่เข้มแข็งก็ทำได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทาได้ต่อเนื่องแค่ไหนมันอ่อนแล้วก็ทำให้มันเข้มแข็ ง, ขงได้ทาไปเรื่อยๆไม่หยุดเดี๋ยกัดไม่ปล่อยอไม่ไม่ถอยว่าเงั้อนเถอะโดยที่ไม่ต้องหวังผลตอบแทนใดๆหวังอย่างเดียวหวังว่าความคิด